ับที่10เมื่อวันที่ย3สาพฤษภาคมพุทธศักราช2553โดยพระครูธรรมทรคขันิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าวาวาดวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐมขอเจริญพร วันนี้ก็จะได้เริ่มต้นกรรมฐานที่เป็นฝ่ายสมถกรรมฐานหม้ให้ก็คิดว่าเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบันนะเพราะช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นทําให้หลายหายคนก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจบางคนเกิดอาการโกรธหรือบางคนก็เกิดอาการเครียดแค้นอาฆาตเครียดแค้นอยากทำร้ายฝ่ายตรงข้ามนะหรืออยากทําร้ายฝ่ายตรงข้าม เพราะฉะนั้นคำมฐานที่สอนในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของอัปปมัญญาเป็นกรรมฐานที่เป็นคู่ปรับกับอาการเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะมันโดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ต่างๆหรือเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเราจะได้เอามาใช้นะอย่าปล่อยให้จิตใจของเราตกลงไปในฝ่ายของอกุศลอีกอย่างหนึ่งจะเห็นว่าแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่ดีนั้นถ้าเราวางท่าทีได้ถูกเราก็สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้ เพราะฉะนั้นกรรมฐานที่จะสอนในวันนี้จะเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าการุณากรรมฐานหรือกรุณาอปปมัญญาคือการแผ่ก ร, รุณาไปให้กับสรรพสัตว์หรือบุคคลอื่นให้เรามีจิตใจมีก ร, รุณาต่อเขากรรมฐานประเภทนี้จะเป็นกรรมฐานที่นิยมมากของพุทธศาสนามหายาณถ้าใคร ได้เคยศึกษาพุทธศาสนามหายานหรือเคยอ่านเกี่ยวกับหนังสือทางมหายาณเขาจะเน้นเรื่องของความกรุวนาน้มาโดยเฉพาะในเรื่องของกรุณากรรมฐานหรือกัลณนาอปมัญญาอย่างเช่นคติของพระโพธิสัตว์ที่มุ่งจะช่วยเหลือให้คนอื่นๆพ้นจากความทุกข์ให้ได้ตนเองจึงจะยอมที่จะบรรลุธรรมถ้ายังไม่บรรลุธรรมจะต้องช่วยผู้อื่นก่อน หรือแม้แต่กระทั่งการบำเพ็ญกรรมฐานของเขาก็จะนักตั้งใจนะแผ่ความกรุณาแผ่ความสุขแผ่ความกรุณานี้ออกไปให้กับสรรพสัตว์ต่างๆ่านะตั้งใจขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นทางมหายานก็จะนิยมปฏิบัติในเรื่องของกรุณากรรมฐานนะนวันนี้ก็จะเอาเรื่องนี้มาสอนให้กับโยมนะแต่จะ่แต่ว่าสิ่งที่อาตมาสอนนั้นจะเป็นคําสอนที่มีอยู่ในคมภี์วิสุทธิมรรคจะเป็นการปฏิบัติ ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณอยู่แล้วนะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องการุนากรรมาฐานก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าการุานานั้นคืออะไรมีอาการอย่างไรนะการรุานานั้นเวลาแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่าความรู้สึกกระทบกระทั่งเมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกขนะ์คือไม่สามารถเพิกเฉยได้นะปรารถนาหรือต้องการที่จะช่วยเหลือ ให้เขาพ้นจากความทุกข์บางครั้งภาษาไทยจะแปลกรุณาว่าสงสารแต่ต้องระวังให้ดีคาว่าสงสารในภาษาไทยนั้นความหมายอาจจะไม่ตรงกับคำว่ากรุณาเพราะว่าในภาษาไทยนั้นเวลาเราเกิดอาการสงสารเป็นยังไงเอ่ยเห็นเขาโอเขามีความทุกข์เขาประสบทุกข์เราสงสารแลือเกินบางทีเราล้องไห้เลยใช่ไหมใช่ร้องข่มร้องไห้พอจิตใจหดหู่ อาการอย่างนั้นไม่ใช่ก ร, รุณานะต้องเข้าใจก่อนภาษาไทยเรียกว่าสงสารแต่ถ้าเป็นอาการที่เราร้องห่มร้องไห้รู้สึกจิตหดหู่เศร้าหมองไปกับเขาด้วยอาการอย่างนั้นไม่ใช่ก ร, รุณาอาการอย่างนั้นภาษาธรรมะเรียกว่าโทมนัสโทมนัสจึงแปลว่าความเศร้าโศกความเสียใจนะความกระทบกระทั่งจิตใจ ราวะอย่างนี้เกิดขึ้นจิตใจจะไม่ปลอปลยโปร่งผ่องใสแต่ว่าอาการมันจะใกล้เคียงกับกรุณามากนะท่านจึงเรียกว่าโทมนัสนั้นเป็นศัตรูใกล้คือมีลักษณะใกล้เคียงกับกรุณานะยิ่งเราไปผูกไว้กับเขานะเช่นคนที่เรารักกำลังตกทุกข์ได้ยากเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจยไปด้วยกับเขา ถ้าเป็นอาการเศร้าโศกเสียใจไปด้วยกับเขานั่นไม่ใช่การุณานั่นคืออาการของโทมนัตเอาแล้วอย่างนั้นการุณาเป็นอย่างไงอาตมาอยากจะขอยกเป็นตัวอย่างอย่างเช่นตอนเมื่อประมาณสักห้าปีที่แล้วตอนนั้นซูนามิเข้ายมเพิงได้ดูในทีวีใช่หมตอนที่ยมเห็นคนที่เขาเดือดร้อนมากมาอย่างนั้น บางคนอาจจะรู้สึกสะเทือนใจร้องไห้ออกมานั่งเฉลโตมานัทต่อมาบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ ไ, มได้แล้วฉันจะต้องช่วยเหลืออะไรบางอย่างให้กับเขาไม่มากก็น้อยบางคนพอเห็นข่าวอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นไปซื้อข้าวซื้อของเตรียมส่งแพ็กไปทางภาคใต้เลยหรือแม้แต่กระทั่งมีกองทุนอะไรที่จะร่วมบริจาคได้รีบร่วมบริจาค มีหลายท่านที่พอรู้ข่าวคืนนั้นเช้ามาหรือรู้ข่าวตอนกลางวันตอนเย็ยนหรือตอนกลางคืนเขาขับรถลงไปเลยนะขับรถไปที่ภาคใต้เลยที่เพื่อที่จะไปช่วยอาการของเขาที่เป็นแบบนั้นให้โยมลองดูนะตอนที่ซุ น, นิม่เข้านั้นได้ช่วยหรืออะไรเขาไม่เอ่ยบางคนอาจจะช่วยบางคนอาจจะไม่ได้ช่วยนะแต่เวลาที่เรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเขาตอนนั้นเรารู้สึกยังไง สุขหรือทุกข์ตอนนั้นสุขใช่ไหมไม่ร้องไห้ใช่ไหมแต่เรารู้รู้สึกดีใจอิ่มใจปิติรู้สึกว่าเราจะด้วยช่วยเขาอาการอย่างนั้นแหละคืออาการกระรุณาแยกออกไหมวันถ้าเกิดกระรุณาเกิดขึ้นจิตกับปลอดโปรง่งผ่องใสมีความสุขนะแต่ถ้ามันเป็นโทมนัตจิตใจเราจะเศร้าหมอ้อเศร้าหมองขุน่นมัวแล้วบางทีจะร้องไห้เลย ความรู้สึกปรารถนาดีอยากช่วยเขาให้พ้นจากความทุกเนี่ยแหละจึงจะเรียกว่ากาัลยาณ์เหมือนอย่างที่อตมายกตัวอย่างพอเรารู้สึกว่าเราจะได้ช่วยเขาเราอยากให้เขาพ้นจากความทุกเวลาความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็จะเกิดความปลอดโปร่งผ่องใสเกิดความอิ่มใจเกิดความภูมิใจขึ้นมาอาการอย่างนี้แหละเราเรียกว่าอาการของ กุรณานะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคนที่ทํางานเป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาลที่ต้องดูแลคนไข้นะบางทีดูแลไปดูแลมาเนี่ยจะมีความรู้สึกผูกพันกับคนไข้คนไข้ป่วยหนักเนี่ยแหละข้อต้องคอยเช็คเนื้อเช็คตัวคอยพลิกให้กับเขามันก็รู้สึกผูกพันพอคนไข้คนนั้นอาการป่วยหนักแล้วก็เสียไปบางคนรับไม่ได้นะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไปเลย อาการอย่างนั้นไม่ใช่การรุณาเข้าใจนะเพราะนั้นให้เราตั้งท่าทีให้ถูกต้องนะถ้าเจอใครเจ็บไข้ได้ป่วยเราช่วยอยู่ตลอดให้มีความภูมิใจมีความอิ่มใจว่าเราได้ช่วยเหลือเขาช่วยเขาได้เท่าที่เราช่วยได้ช่วยแล้วให้มีความภูมิใจมีความอิ่มใจความรู้สึกที่เราว่ารู้สึกว่าเราได้ช่วยเขาเราได้ช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากความยากลำบากแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่างดีถ้าอย่างนี้มันจะเป็นความภูมิใจความอิ่มใจะเพราะนั้น จิตกรุณาเกิดขึ้นนั้นมันจะมีความสุขไม่ใช่ความทุกข์แล้วไม่ใช่ความขุนมัวหรือว่าความเศร้าหมองพอแยกออกไม่เอ่ยมีใครแยกไม่ออกอีกไหมเพราะส่วนใหญ่เราเห็นเวลาเห็นคนตกทุกข์ได้แยกแล้วโทมนัตหรือกรุณา <c oughs> นะอันนี้คือท่าถี่ของคนไทยนะอันนี้โยมล อ, ลองไปสังเกต ด, ดูนะเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดโทมนัตนะ ยิ่ง ถ, ถ้าใครมีความรักความผูกพันในบุคคลที่กําลังตกทุกข์ได้ยากเวลาเราเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยขออภัยนะอย่างไปงานศพของญาติพี่น้องนะหรือของเพื่อนสนิทซึ่งเขาอาจจะสูญเสียบุคคลสําคัญตายวันที่เห็นหน้าเพื่อนร้องไห้แล้วเราเป็นยังไงเอ่ยร้องไห้ตามเลยร้องพลอยร้องไห้ตามเลยพอเราร้องไห้เพื่อนเป็นยังไงยิ่งร้องไห้เลย อันนั้นการรุ่นนานหรือเปล่าเ อ, อ่ยไม่ใช่นะนั่นกลายเป็นโทมนัตแล้วนะนั่นกลายเป็นโทมนัตละนะแต่ตรงกันข้ามถ้าเกิดการรุ่นนาเราเห็นเขากําลังเศร้าโศกเสียใจเราก็ไปปลอบโยนเขานะหรือแม้กระทั่งเข้าไปกอดเขาเอาละไม่เป็นไรนะเธอทําได้ดีที่สุดละนะหรือว่าเธอทําให้เขามาอย่างดีที่สุดละนะดีละในสิ่งที่เธอทนะํานั่นเป็นสิ่งที่ดีงามละ นะเวลาโยมปลอบเขาอย่างนั้นความรู้สึกมันจะอีกอย่างหนึ่งนะนะความรู้สึกที่เราอยากช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขารู้สึกมีความสุขมีความผ่องใสในจิตใจถ้าเป็นความรู้สึกอย่างนี้โยมกลับมีความสุขจิตใจของโยมกลับปลอดโป ร, โรง่งผ่องใสเข้าใจนะนะอาการการุณานีนะ้ท่านบอกว่าเป็นอาการมันมีอาการอกอาการหนึ่งนะที่ตรงข้ามกับการุณา ท่นโทมานต์นี้บางทีท่านจะเรียกว่าศัตรูใกล้เพราะบางทีเกิดกรุณาแล้วจะตกไปโทมานั์ได้ง่ายนะส่วนศัตรูกลยของกรุณานั้นคืออาการที่เราคิดร้ายคิดเบียดเบียนอยากทําร้ายเขาอยากทําลายเขาอาการอย่างนี้ภาษาธรรมมีชื่อเรียกว่าวิหิงสานะเช่นเราเห็นเขาทําให้ดนะีหรือเห็นคนทําให้ดี กับอีกคนหนึ่งืนะ่อทีเราจะรู้สึกโกรธรู้สึกอิดอัดแล้ ว, วันนี้อาการที่เกิดตามมาก็คืออยากทำร้ายนะคนอย่างนี้ต้องฆ่ามันทิ้งซะเลยต้องทุบมันซะเลยนะอาการอย่างนี้มันจะเกิดหลังจากเกิดโทสะนะอาการคิดร้ายอย่างนี้จะเกิดขึ้นนะอาการอย่างนี้ภาษาธรรมะเรียกว่าวิหิงสานะวิหิงสาคืออาการคิดร้ายคิดเบียดเบียนคิดทาร้ายเขา อาการแบบนี้เกิดขึ้นเป็นผลเสียต่อจิตใจของเราเพราะจะทําให้จิตใจของเราคุณมัวเศร้าหมองอึดอัดคับคล้องแล้วก็เป็นทุกข์นนอกจากนั้นแล้วมันจะยิ่งทําให้เรานั้นแสดงออกซึ่งอาการที่ไม่ไดีอีกหลายอย่างออกมาบางทีก็ออกมาเป็นคําสบทหรือแม้แต่กระทั่งการทําร้ายหรือการทําลายเข้าของอย่างนี้เป็นต้น ซอาการอย่างนี้เมื่อไม่กี่วันมานี้โยมก็คงจะเห็นตามหน้าทีวีอยู่แล้วนะหน้าจอทีวีอยู่แล้วพอไม่ได้ดังใจขึ้นมาก็เกิดอาการวิหิงสาคือคิดร้ายเบียดเบียนต้องการจะทําลายทําลายคนไม่ได้ทําลายข้าวของก็อย่างดีอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เกิดผลเสียต่อจิตใจทั้งสิ้นเลยนะแล้วบางคนพอเห็นอาการอย่างนี้เกิดขึ้นคนทําอย่างนี้เป็นยังไงคนอย่างนี้ต้องยิงทิ้งไปเลยคราวนี้เลยกลายเป็นวิหิงสาไปหมดเลยใช่ไหม แลนะถ้าอย่างนีนะ้แล้วก็ความทะเลาะบอกแว้งความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นอาการวิหิงสานี้ท่านถึงบอกว่าเป็นอากุโซธธรรมนะเกิดขึ้นเมื่อไรให้รู้ว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ดีนะวิหิงสาเกิดขึ้นกรุณาจะเกิดขึ้นไม่ได้นะอ้าพอแยกออกไหมนะสามอาการหนึ่งกรุณา ส่วนอาการที่ใกล้กับรุณานะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนมักจะรู้สึกกันแล้วนึกว่าเป็นความการุณาก็คือโทมนัทใช่ไหมโทมนัทที่เรียกว่าสงสารนะ่ะแล้วร้อ ง, องห่มร้องไห้แต่อาการที่ตรงกันข้ามกับกุรุณาคือวิหิงสานะอาการที่อาการวิหิงสาไม่ใช่อาการกโกรธนะอาการกโกรธหรือโทสะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามก็คือเมตตานะแต่อาการวิหิงสาก็คืออาการคิดร้ายอยากทํำร้ายอยากเบียดเบียนเขา หรือแม้กระทั่งอยากพูดกดข่มเขาให้ตอลงต่ำนะอาการที่เรารู้สึกอยากด่าเขาให้สะใจหรือว่าเขาให้สะใจอาการพวกนี้วิหิงสาทั้งสิ้นเลยเป็นอาการคิดร้ายคิดเบียดเบียนนะคิดทําร้ายเขาคิดทําให้เขาเสียหน้าทําให้เขาตกต่ําอย่างนี้เป็นต้นอาการเหล่านี้เป็นอาการวิหิงสาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การคิดร้ายในแง่ของการทำร้ายร่างกายเท่านั้นอยากทําให้เขาเสียหน้าอยากทําให้เขาเจ็บใจ พวกนี้อยู่ในพวกวิหิงสาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการแก้วิหิงสาก็คือการที่เราเจริญกัรุณาให้เยอะๆเพราะวิหิงสากับกับรุณาสองอย่างนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ถ้าวิหิงสาเกิดกัรุณาจะไม่เกิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามโยมเกิดกัรุณา วิหิงสาก็จะไม่เกิดสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้นังนั้นตอนที่เรามีความกระทบกระทั่งจิตใ จ, จปรารถนานดีอยากช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ตอนนั้นเนี่ยอาการคิดร้ายคิดเบิดเบียนมันไม่เกิดแล้วมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยดังนั้นในสมัยก่อนท่านเห็นถึงตรงนี้ไงเพราะสมัยก่อนในการเบิดเบียนกันเกิดขึ้นเยอะ การก่อสงครามอย่างนี้ใช่ไหมการทะเลาะเบาะแวง้งท่านจึงให้พยายามเจริญในเรื่องของวิหิงสาไอ้ขอภยัยเจริญในเรื่องของกรุณากรรมฐานนี้ให้มากๆวิธีการทําอย่างไรวิธีการนั้นจะคล้ายกับเมตตากรรมฐานทุกอย่างเลยเริ่มต้นโดยการแบ่งคนออกเป็นสี่กลุ่มด้วยกันนะคือบุคคลที่กําลังตกทุกข์ไดยาก บุคคลที่กำลังตกทุกข์ได้ยากแล้วก็เพื่อนรักคนที่เรารู้สึกกลางกลางและคนที่เป็นศัตรูและจะแบ่งคนออกเป็นสี่กลุ่มวิธีการแผ่กรุณาท่านบอกว่าการแผ่กรุณานั้นจะต่างจากเมตตาเมตตานั้นเราจะตั้งจิตเมตตากับตัวเองก่อนแต่กรุณานั้นท่านจะให้เริ่มแผ่กรุณาให้กับบุคคลที่กําลังตกทุกข์ได้ยากก่อนบุคคลที่กําลังมีความลําบากบุคคลที่กําลังมีความทุกข์มากๆ ท่านบอกให้เริ่มแผลให้กับบุคคลเหล่านี้ก่อนเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความกรุณาได้ดีเพราะเขากำลังมีความทุกข์อยู่แล้วก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของคนที่มีจิตใจติงงามเวลาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากนั้นย่อมมีจิตกรุณาอยากช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์เมื่อแผลกรุณาให้คำกับบุคคลตกทุกข์ได้ยากหรือบุคคลที่กาลังทุกข์มากๆได้แล้วถ้าจากนั้นเราจึงจะแผลกรุณาให้กับ บุคคลที่เป็นที่รักและเคารพแล้วจึงแผลให้บุคคลที่เป็นกลางกางแล้วจึงแผลให้กับบุคคลที่เป็นศัตรูจากนั้นจึงแผลให้บุคคลทั้งสี่กลุ่มนั้นโดยมีจิตกรุณาเสมอเหมือนกันหมดขั้นตอนนี้จะเหมือนเมตตาทุกอย่างเลยแล้วจึงแผลออกไปให้กับสรพสัตแบบโอทิโสกับอนโนทิโสคือแบบเฉพาะเจาะจงกับแบบไม่เฉพาะเจาะจง และแผ่กรุณาออกไปยังทิศทั้งสิบและแผ่กรุณาออกไปไม่มีประมาณขั้นตอนที่เหลือเหมือนเมตตากรรมาฐานทุกอย่างเลยต่างกันเพียงแค่อารมณ์กรรมาฐานเท่านั้นแต่ขั้นตอนอื่นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นขั้นตอนอื่นๆอัตมาก็จะเพียงแค่ทวนให้จะไม่ได้อธิบายรายละเอียดละเพราะว่าได้อธิบายไปแล้วในตอนที่เจริญเมตตากรรมาฐานอาวิธีการทําอย่างไร ท่านบอกว่าบุคคลที่กำลังตกทุกข์ได้ยากนี้ที่จะให้เริ่มแผลกรุณาไปให้ก่อนนี้แบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งคนที่เขากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยขาดแคลนวัตถุสิ่งของเจอเคราะห์กรรมกำลังทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสอย่างนี้เป็นต้นอย่างตอนนี้เนี่ยแผลได้ง่ายเลยใช่ไหมถ้าใครดูทีวีคนที่ญาติพี่น้องเสียชีวิต หรือคนที่กิจกรรมกิจกา ร, รของเขาถูกเผาเป็นยังไงน่าสงสารใช่ไหมบางทีเราดูแล้วเนี่ยพวกนี้น่าสงสารมากคนเหล่านี้น่าสงสารมากแล้วเอากลุ่มบุคคลเหล่านี้มาตั้งเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ในการที่เราจะแผ่กรุณาไปให้กับเขาหรือแม้แต่กระทั่งบุคคลที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันที่เขากําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่นะให้เราเริ่มแผ่กรุณาให้กับบุคคลเหล่านี้ก่อนนะอันนี้คือแบบแรกคือเขากําลังตกทุกข์ได้ยากจริงๆ นะอาจจะถูกสูญเสียบุคคลที่รักนะกิจกรรมกิจกา ร, รสูญเสียไปหรือว่าเก็บไข้ได้ป่วยนะมีวิกําลังมีความทุกข์ใจมีความทุกข์ยากอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองอาจจะเป็นบุคคลที่กําลังมีความสุขอยู่อาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมียศศักดิ์อํานาจมากมายแต่ว่าจิตใจเค้านั้นเป็นจิตใจเป็นบุคคลที่มีจิตใจไม่ดีงาม บุคคลเหล่านี้เนื่องจากจิตใจไม่ดีงามกําลังข่มเหงผู้อื่นกําลังทําสิ่งชั่วร้ายกําลังทําสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆบุคคลเหล่านี้ท่านบอกว่าเป็นที่ตั้งแห่ง ก, กรุณากรรมาฐานได้เพราะว่าอะไรเอ่ยบุคคลเหล่านี้น่าสงสารตรงที่จิตใจของเขาไม่สามารถดีงามขึ้นมาได้เขามีทรัพย์สินมีเงินทองมียศศักดิ์อำนาจมากแต่กลับใช้สิ่งเหล่านี้ไปในทางที่ผิดคนเหล่านี้ ต่อไปในภายภาคหน้าย่อมประสบกับความทุกข์แม้ตายไปย่อมเข้าสู่ทุกขติวินิบาตนรกแล้วมองอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าคนเหล่านี้ก็ยิ่งน่าสงสารใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวเราก็อาจจะนึกถึงคนเหล่านี้โดยการตั้งใจว่าโอ้ขอให้เขาเหล่านี้จงพ้นจากมิจฉาทิฐิเหล่านั้นเสียจงเลิกเปลี่ยนเสียคนเหล่านี้จงอย่าได้ตกนรกเลยนะคนเหล่านี้ขอให้กับเนื้กับตัวได้ นี่เราก็จะแผ่กรุณาน อ, อกไปให้กับเขาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกลุ่มบุคคลแรกคือคนที่กำลังตกทุกข์หรือกำลังจะตกทุกข์ต่อไปในอนาคตนี่คือกลุ่มคนที่เราจะแผ่กรุณาให้เป็นอันดับแรกมีข้อสงสัยไหมสังเวชในภาษาไทยกับในภาษาธรรมนี่ก็แตกต่างกันอีกนะคนละความหมายกัน ถ้าสังเวทในภาษาไทยก็เป็นอาการสลดหดหูใช่ไหมเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากแล้วเรารู้สึกสลดหดหูใจพวกนี้เข้าอยู่กับอาการโทรมนัทเหมือนกันเข้าใจนะเจริญพรอ่าวเปนวิธีการเราจะเริ่มต้นด้วยการนึกถึงคนที่กําลังทุกข์ยากอยู่นะตอนนี้โยมให้โยมเลือกเอ้นวบางทีโยมอ่าดู ติดตามข่าวยมเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยมเห็นคนที่เขาต้องสูญเสียกิจกรรมกิจการบางทีเราเลือกสงสารเขานะก็ให้ยมตั้งใจตั้งใจต่อจากนั้นว่าขอให้เขาเหล่านั้นจงพ้นจากความทุกข์ให้เขาตั้งตัวได้นะให้จิตใจเขาผ่องสดีงามนะเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้ก็คืออาการที่เราตั้งเจตนาตั้งจิตตั้งใจแผ่กรุณาออกมาให้กับเขานะวิธีการก็คือเราจะนั่งแบบนั่งสมาธิเลย จากนั้นน้อมจิตไปนึกถึงคนที่กําลังตกทุกข์อาจจะเริ่มต้นจากเพียงแค่คนเดียวก่อนแล้วนึกถึงคนคนนั้นพร้อมกับให้เราตั้งใจขอให้เธอพ้นจากความทุกข์นะให้เธอไปหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทุกภัยทั้งหลายนั้นจงหมดไปสําหรับเธอนะหรือความยากลําบากทั้งหลายจงหมดไปสําหรับเธอหรือถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ขอให้เธอจงเจ็บหายสากความเจ็บไข้ได้ป่วยนะเวลาเราตั้งใจแผ่ออกไปอย่างนี้จิตใจเราจะเป็นยังไงเอ่ยสุขหรือทุกข์ สุขนั่นแหละอาการอย่างนั้นแหละการุณาแล้วให้พยายามประคองจิตเอาไว้กับภาวะเช่นนั้นเหมือนกับตอนที่เราแพรเมตตาเข้าใจนะในสมัยก่อนท่านก็บอกว่าเวลาประคองจิตอย่างนี้มันเป็นนามธรรมาบางทีเราจะไม่สามารถประคองจิตได้นานมันฟุ้งท่านก็เลยจะมีคำบริกรรมให้สำหรับเราบริกรรมด้วยคาบริกรรมนี้นะถ้าแพรกรุณาออกไปคนเดียว ท่านจะใช้คําว่าอะยังสัตโตนะแปลว่าสัตว์ผู้นี้นะสัตว์ผู้นี้นะอยังก็คืออันนี้นั่นเองนะสัตโตก็คือสัตอยังสัตโตทุกขามุดจันตุนะมุดจันตุก็จะไม่งา่ายเหมือนกับคําว่าวิมุดนะหลุดพน้นนะทุกขาก็คือจงหลุดพ้นจากความทุกข์หรือจงปราศจากความทุกข์นะอยังสัตโต ทุกขามุดจันตุขอให้สัตว์ผู้นี้จงพ้นจากความทุกเถิดขอให้สัตว์ผู้นี้จงพ้นจากความทุกเถิดโยมจะใช้เป็นภาษาบาลีก็ได้หรือภาษาไทยก็ได้บางทีเรานึกเป็นบุคคลเราก็อาจจะนึกถึงตัวบุคคล น, นั้นๆขอให้เขาจงพ้นจากความทุกนะให้เขาพ้นจากทุกภัยทั้งหลายนะให้พ้นจากความเจ็บป่วยนะเดีย๋ยวเวลาเราตั้งใจแบบนั้น ตอนนั้นจิตใจเราจะผ่องใสขึ้นมานึกถึงเราตอนเราที่เราไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเพื่อนนะ่ะแล้วเราอวยพรให้เพื่อนหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนั้นโยมรู้สึกยังไงเออให้เธอหายเร็วๆนะตอนนั้นโยมรู้สึกยังไงสุขหรือทุกข์นั่นแหละกรุณานั่นแหละเกิดจิตกรุณาเกิดขึ้นนะอาการอย่างนั้นคือกรุณาเข้าใจนะแต่ถ้าเห็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้ยน่าสงสารจางร้องผมร้องไห้นี่โทมนัสละนะเพราะฉะนั้นกําหนดภาวะให้ถูกต้องนะ เป็นอาการที่เราตั้งใจปรารถนาดีกับเขาอยากช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นะจิตจะเป็นจิตที่ปลปลอดโปรงง่งผงองใสคราวนี้บางท่านอาจจะเอาระคนเดียวแล้วต่อไปก็แพ้ให้หลายๆคนแพ้ให้ให้หลายๆคนนั้นภาษาธรรมะถ้าเ็จะใช้คาว่าเอเตะนะอยนะยังนี่คือคนเดียวเอเตนี่คือท่านเหล่านั้นทั้งหลายนะ เอเตสัตตาทุกขามุจจนตุนะขอให้สัตว์เหล่านั้นจงพ้นจากความทุกนาก็นะเหมือนเราอวยพรให้กับเขาตั้งจิตกรุณากับเขาด้วยความปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเกิดความเสียใจนะก็ให้เราตั้งใจเลยอ้าวเขาเหล่านั้นขอให้เขาพ้นจากความทุกนาพ้นจากความเศร้าโศกนะ พ้นจากความเสียใจทั้งหลายนะยเวลาเราตั้งใจแบบนี้จิตมันก็จะปลอดโปร่งผ่องใสขึ้นมาต่อจากนั้นถ้าแผ่ไปให้กับสัตว์ทั้งหลายคราวนี้จะเหมือนกับคําแผ่เมตตาเลยคําแผ่เมตตานั้นใช้สัพเพสัตตาใช่ไหมในที่นี้ก็จะใช้สัพเพสัตตาเช่นเดียวกันเลยสัพเพสัตตาทุกขามุจจันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากความทุกข์นะ ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงชงพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็ตั้งใจอย่างนี้แล้วก็แผ่เอกไปให้กับสรรพสัตว์ตอนนั้นจิตก็จะปลอดโปรง่งผ่องใสสงบแล้วก็ตั้งมัน่นอยู่กับภาวะการุณาที่ดีงามนั้นอ่าได้ไม่เอ่ยพอได้นะแผ่การุณาไปให้ตัวเราเองได้ไหมได้จเจริญพรแต่ให้แผ่ให้กับคนที่กําลังตกทุกข์ก่อนเป็นอันดับแรกจะดีที่สุดน ะ, จะเจริญพร เพราะว่ายัางแผ่ให้ตัวเองเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยรู้สึกอะะ่ะอ๋ะเอเจริญพรถ้าใครมีความทุกข์อยู่ก็อาจจะแผ่ให้ตัวเองก็ได้นะแให้สา ม, มารถแผ่ให้ตัวเองได้เช่นเดียวกันนะเ<ม>พราะฉะนั้นในช่วงแรกนะในช่วงแรกวันนี้เราได้เรียนรู้หลักแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาแผ่กรุณลพระเพรบไปพร้อมๆกั น, นเราจะลองแผ่กุณาไปพรป้อมๆกันเพราะฉะนั้นในเริ่มต้นให้ยมนึกถึงคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยาก คนที่เขากำลังมีความทุกข์มากๆในตอนนี้อยู่เมื่อนึกถึงเขาเหล่านั้นแล้วก็ให้โยมตั้งใจแผ่กรุณานะนั้นตอนนี้โยมบางท่านนั่งขัตตมาอย่างนี้อาจจะเมื่อยละเพราะเรานั่งกันอยู่ประมาณ ก, กัอบครึ่งชงั่วโมงให้โยมลุกขึ้นมาก่อนโนะยมลุกขึ้นเลยนะเปลี่ยนริยาบทนิดหนึ่งฮานะเจริญพรนะลุกขึ้นยืนเลยนะลุกขึ้นยืนแบบสบายสบาย จากนั้นหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆยาวๆให้แบบสบายๆหายใจเข้าเบิกบานมีความสุขหายใจออกเบิกบานมีความสุขให้รู้สึกสบายๆนะ จากนั้นให้ยมตั้งใจนะตั้งใจว่าเราจะต้องการจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่เขากำลังประสบเคราะกรกรมอยู่ตั้งใจว่าอย่างนั้นเหมือนกับสิ่งที่พระโพธิสัตว์ได้ทามาตลอดคนที่กดคําลังตกทุกข์ได้ยากคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะเศร้าโศกเสียใจหรือคนที่กำลังมีความเห็นผิดแม้เขาตอนนี้เขากาลังสุขสบายอยู่แต่เขามีความเห็นผิด ซึ่งต่อไปเขาย่อมประสบกับความทุกข์อย่างใหญ่หลวงนะอาจจะต้องเมื่อตายไปอาจจะต้องตกนรกหลวงวิ น, นิพันธนรกเหล่านี้เป็นต้นนะให้โยมนึกถึงคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากคราวนี้ให้โยมนั่งลงได้นะนั่งลงแล้วก็นั่งขัดสมาธิเลย อ้านะจากนั้นให้โยมตั้งใจแผ่กรุณาออกไปให้กับคนเหล่านั้นโดยการตั้งใจว่าขอให้เขาพ้นจากความทุกข์นะท่านึกถึงคนเดียวก็ใช้อยังสัตโตทุกขามุจฉันตุหรือเอ เ, อเตสัตตาทุกขามุจฉันตุขอให้เขาเหล่านั้นจงพ้นจากความทุกข์นะให้โยมแผ่ความกรุณานี้ออกไปจกักให้ให้กับเขา ให้รู้สึกถึงเขานั้นกำลังจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตั้งใจอวยพรให้กับเขาตั้งจิตปรารถนาดีให้กับเขาขอให้เขาจงพ้นจากความทุกข์นะภะยังสัตาทุกขามุตจันตุขอให้เขาเหล่านั้นจงพ้นจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจครอบกรรมทั้งหลายที่กำลังประสบจงหมดไปนะ เอเต ท, ทธาทุกขามุจฉันตุตั้งใจเหมือนเราตั้งใจอวยพรให้กับเขาตั้งใจปรารถนาดีตั้งใจกรุณากับเขานึกถึงเขาให้เขาพ้นจากความทุกข์เหมือนเรากำลังอวยพรให้กับเขาขอให้เขาพ้นจากความทุกข์นะ ขอให้เธอจงพ้นจากความทุกข์นะขอให้เขาเหล่านั้นที่กำลังตกทุกข์อยู่จงพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนะ ให้รักษาสภาวะจิตใจอยู่กับภาวะกรุณาขอให้เขาพ้นจากความทุกนาขอให้เขาเหล่านั้นจงพ้นจากความทุกนาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่จงพ้นจากความทุกนา ถ้าใครรู้สึกคุยกับตัวเองเยอะให้ใช้คำบริกรรมเข้ามาช่วยจะใช้ภาษาบาลีหรือภาษาไทยก็ได้เอเตสตาทุกขามุจจนตุมันจะใช้คานี้ก็ได้หรือขอให้เขาเหล่านั้นจงพ้นจากความทุกข์นะก็ได้ตั้งใจแผ่จิตกรุณานี้ออกไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย โยมหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆยาวๆหายใจเข้าเบิกบานมีความสุขหายใจออกเบิกบานมีความสุข จเจริญพรเป็นยังไงพ่อได้ไม่เอ่ยนะถ้าเกิดว่าเรายังกําหนดได้ไม่ดีนักให้นึกถึงว่าเราอวยพรให้เขาพ้นจากความทุกข์ก็ไดตั้งใจว่าอย่างนั้นนั่นะคืออาการที่เราตั้งจิตปรารถนาดีอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะมีคําถามไม่เอ่ยในเรื่องของการแผ่กรุรณาเบื้องต้นก่อนนะเดี๋ยวในเรื่องของการแผ่กุณาที่ออกไปให้กับบุคคลอื่นๆที่ยากขึ้นไปกว่านี้เดี๋ยวจะได้สอนต่อไป มีคำถามไม่เอ่ยไม่มีคำถามนะเข้าใจน ะ, จะเจริญพรถ้าอย่างนั้นฝากให้โยมมาไปมัน่นเฟกแผกร์กลโณนานะโดยเฉพาะช่วงนี้นะดูข่าวเสร็จก็ให้โยมแผรกรุณาในขณะ ด, ดูข่าวเอาไว้นะแพร์กลโนนาเอาไว้เยอะๆนะอ้าวคนที่หลงผิดก็ขอให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องนะนะคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากคนที่เขากําลังเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้เขาหาจากความเดือดร้อนนะ อย่างน้อยที่สุดแผ้กรุณาอย่างนี้นะแต่ถ้าจะทําให้ดีมากขึ้นไปกว่านั้นนะก็ให้ลงมือทําด้วยนะไม่ได้หมายความว่าให้โยมอเอาเงินไปทุ่มทั้งหมดนะไม่ใช่นะอย่างน้อยที่สุดนะเราเจอใครก็ตั้งจิตกรุณากับเขาเห็นอกเห็นใจเขานะพยายามช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นะดีขึ้นไปกว่านั้นอย่างช่วงนี้เนี่ยทางการชาติเองก็ขาดแคลนเลือดมากนะโยมอาจจะไปบริจาคเลือดก็ได้ ในขณะที่เราไปบริจาค ก, ก็ตั้งใจกรุณาเลยนะคนที่เจ็บไายได้ป่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บเอาละเราจะได้มีส่วนช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์นะช่วยชีวิตของเขาหรือช่วยให้เขานั้นพ้นจากความบาดเจ็บต่างๆตรงส่วนนี้เป็นต้นนะถ้าอย่างนี้ก็จา ก, กาจากจิตใจที่เรามีกรุณาก็ออกมาเป็นพฤติกรรมการพูดการกระทาของเรานะและเวลาโยมนึกถึง ข, ขึ้นมาในสิ่งที่ดีงามที่โยมได้ทานั้น จิตใจของโยมก็ย่อมเกิดความผ่องใสเกิดความภูมิใจเกิดความอิ่มใจเพราะั้นกรุณาเนี่ยทาให้เยอะๆเลยนะใช้สําหรับเวลาเราเห็นคนตกทุกข์ไดยากหรือเวลาที่เห็นคนกําลังมีความทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ได้ถูกหลักจะเห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์อย่างใดเกิดขึ้นโยมกลับเป็นผู้ที่มีความสุขใช่ไหมถ้าเขาอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วเราก็แผ่เมตตา เห็นเขาตกทุกข์ได้ยากหรือเห็นเขาประสบเคราะห์กรรมแทนที่จะปล่อยให้จิตใจของเราตกต่ำลงไปกลายเป็นเศร้าโศกเสียใจก็ให้เราแผ่การรุ่นาแทนนะโยมได้ประโยชน์หมดนะทุกสถานการณ์นะโยมได้ประโยชน์หมดน ะ, จะเจริญพร อ, อาหามีคําถามอะไรไม่เอ่ยวันนี้เอาเพียงแค่แผ่กรุณาเบื้องต้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเริ่มให้แผ่กรุณาออกไป ให้กับตนเองให้กับบุคคลที่รักให้กับบุคคลที่เป็นกลางกลางแล้วก็ให้กับบุคคลที่เป็นศัตรูแล้วเดี๋ยวจะแผ่ออกไปแบบไม่จำกัดกับแบบจับกัรบุคคลแล้วก็แผ่ออกไปทั้งสิบทิศนะคงจะเป็นเพียงแค่อธิบายให้ฟังนะเพราะว่าขั้นตอนต่อจากนี้จะเหมือนกับเมตตากรรมฐานทุกประการเลยอ้าวมีคำถามไหมไม่มีนะยากไหมเอ่ยแผ่กรุณายากไหม ย, ยากเลย เห็นไม่มคนแถวแถวนี้ตอบไปยากคือบางทีเวลาเรานึกเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยู่ดีมีสุขแต่ว่าเขาจิตใจไม่ดีบางทีเราจะโกรธแค้นเราจะได้โกรธแค้นนะให้มองออกไปนะมองออกไปมองออกไปให้กว้างไปกว่านั้นนะคือเขากำลังหลงผิดอยู่วนะิธีการแก้ไขมันไม่ใช่ผิดที่ร่างกายของเขานะมันไม่ได้ผิดที่ร่างกายของเขาผิดที่ จิตใจและความคิดของเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไปแก้ที่จิตใจและความคิดของเขาถ้าอย่างน้อยเราแก้ไม่ได้ก็ขอให้เราตั้งใจตั้งความปรารถนาดีไว้ว่าขอให้เขามีความคิดที่ถูกต้องนะขอให้เขากลับจิตกลับใจได้นะเป็นจิตใจที่ดีงามนะถ้าโยมทำอย่างนี้ก็แสดงว่าอย่างน้อยที่สุดโยมได้ช่วยเขาอย่างน้อยจากจิตใจของเราที่ช่วยออกไปแต่จริงๆแล้วทาอย่างนี้ใครได้ประโยชน์ก่อนเป็นอันับแรก เออนั่นแหละตัวเรานั่นแหละจริงๆก็ไม่ได้ช่วยเขาช่วยเรานั่นแหละช่วยไม่ให้เราเกิดความโกรธแค้นเกิดความอาฆาตอะไรนะไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นอยู่ที่จิตใจของเรานะอยู่ที่จิตใจของเราตั้งใจไว้เรา แ, แผ่ไปเลยนะใครที่กำลังหลงผิดอยู่ใครที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้จิตใจเราจะได้ปลอดโปรง่งผองใสเปิดกาง และความคิดในเชิงลบจะได้ไม่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรานะมันให้เฟคเอาไว้เฟกเอาไว้เพราะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเหมาะกับการแผ่กรุนนามานะเพราะถ้าเราต้องการที่จะให้คนไทยเกิดความปลองดองอย่างแท้จริงเนีย้ยตอนเนี้หนึ่งต้องมีความการุณาละนะเพราะว่าตอนนี้มันมีความสูญเสียเกิดขึ้นใช่ไหมตอนนี้มันมีความสูญเสียมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติที่เราจะไปแผ่เมตตาละแต่เนื่องจากมันมีความสูญเสียมีคนตกทุกข์ได้ยากเกิดขึ้นละฝ่นะายที่แพ้ก็เจ็บแขน แสดงว่าจิตใจของเขากําลังตกอยู่ในฝ่ายที่ไม่ดีแล้วก็พึงแผ่กรุณาให้กับเขาะบางท่านก็ได้รับผลกระทบในแง่ของกิจกรรมกิจการต่างๆเสียหายหรือว่าแม้กระทั่งได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตอนนี้เป็นโอกาสที่ยมจะแผ่กรุณาให้กับเขาะถ้าทุกๆคนตั้งใจว่าอย่างนี้ว่าอยากช่วยเหลือให้กับทุกๆคนนั้นให้มีความสุขอยากให้ช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์เจตนาอย่างนี้มันจะมีจุดหมายร่วมกันใช่ไหม จุดหมายรวมกันก็คือความดีงามแล้วอยากเห็นทุกๆคนมีความสุขอยากเห็นทุกๆคนพ้นจากความทุกข์อันเนี้สม า, านฉันท์ที่แท้จริงมันจึงจะเกิดขึ้นได้ะตอนนี้เราไม่ต้องไปแป่งหลอกสีไหนฝ่ายไหนทั้งสิ้นเอาเป็นว่าถ้าเห็นคนตกทุกข์ได้ยากขอให้เขาหาจากความตกทุกข์ได้ยากหาจากครกกรรมตรงส่วนนั้นแล้วก็ดีขึ้นไปมากกว่านั้นก็คือคนที่กําลังมีความเห็นผิดก็ตั้งใจไปเลยขอให้เขาหาจากความเห็นผิดนะให้เขามีความคิดเห็นที่ถูกต้องและมีจิตใจที่ดีงาม นะเวลาเราเจอเขาเราก็จะไม่โกรธแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้ถ้าเราตั้งจิตกรุณาอย่างนี้เจอเขาเราจะไม่โกรธแล้วมีแต่เราจะมาคิดว่าเออเราจะช่วยเขาได้อย่างไรมีวิธีการไหนบ้างที่เราจะช่วยเขาได้นะไม่เช่นนั้นบางทีเราจะรู้สึกครึ่งโกรธขึ้นมาแล้วพอนี้มันก็จะกลายเป็นการทะเลาะบอกแหวงคราวนี้จะไม่จบอ้าวนะนะวันนี้มันเท่าที่อาตมาได้อธิบายมานี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจเจริญไปถึงทเที่ยงครึ่งอีกนะจเจริญทอน ก็คิดว่าคงจะขอจบในเรื่องของการนำปฏิบัติเบื้องต้นในเรื่องของกรุณากรรมฐานไว้แต่เพียงเท่านี้นะคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาศึกษาเรื่องของกรุณากรรมฐานต่อในรูปแบบอื่นๆแล้วการแผ่ไปให้กับคนอื่นๆรวมไปถึงการแผ่ไปยังทิศ ต, ต่างๆทั้งสิบทิศแล้วก็แผ่ออกไปเป็นอัปปมัญญานะอ่าเมืนลําดับต่อไปก็ขอเชิญโยมแผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์น ะ, จะเจรนญพอ